ไม่เรื่องที่จะคุยแต่ก็คุยกันไปก่อนเพราะเรื่องสร้างทางาศาสนานี้มันต้องมีประเด็นในการคุยคุยในวงกว้างก็คุยมาหมดแล้วคุยในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นแต่ประเด็นก็ก็ค่อยคุยกันวงกว้างหรือว่าหลักของการท่องศาสนาหลักใหญ่ๆ ห, หรือว่าโครงสร้างทางาศาสนาใหญ่ๆ เราก็เรียนรู้กันมาแล้ว <c oughs> ปัญหาคือเราไม่เข้าใจองค์ธรรมหรือเส้นทางเดินเรามีความรู้ทางคําสอนแต่วิธีปฏิบัติคือวิธีที่จะเดิน <c oughs> เดินไปตามแบบคําสอนแต่เราไม่ค่อยรู้พูด <c oughs> ถึงความรู้ทางศาสนาแต่ละคนก็รู้แล้วอนะฉันรู้แล้วอะไรเพืนเน่อรู้กดก็เรียนมาเหมือนกัน แต่วิธีปฏิบัติมไม่ค่อยจะรู้เพราะวิธีปฏิบัติหสําคัญสําคัญมากๆความรู้ก็สําคัญวิธีปฏิบัติสําคัญกว่าความรู้พอรู้แล้วถามไม่ทราบวิธีปฏิบัติมันก็มันก็ได้แค่รู้พอไม่ทราบวิธีวิธีทําความรู้หมายถึงคำตอบวิธีทําเหมือนกับเขาให้ทําวิธีทำเข้าใจไหม ทำการบ้านทำอะไรครูเขาสอนนะได้คําตอบมาอย่างนี้ลองทําวิธีทำที่วิธีทําเนี่ ย, ท, ยทํายังไงถึงได้คําตอบอย่างนี้ถ้าวิธีทําผิดแต่เอาคําตอบมันมาได้ยังไงอะไรพวเนี้ความรู้เนี่ยรู้แต่วิธีปฏิบัติหรือวิธีทำท ำ, ทำยังไงทํามาอย่างไงถ้าวิธีทําผิดแม้คําตอบจะถูกก็ตามแต่วิธีมันผิดอ่ะมันจะเป็นถูกได้ไหมนะมเคยเคยเรียนใช่ไหมตอนเป็นเด็กครูให้ทําการบ้านใช่ไหมนะ เราก็เคยลอกเข้ามาใช่ไหลอกเพื่อนมาแต่พอให้ไปทำวิธีทำด้วยตัวเองทาไงก็ลอกมาเราไม่รู้ทำยังไงอ่ะให้มันถูกต้องคือไม่ได้เกิดจากความรู้ของตัวเองเพราะฉะนั้นความรู้ทางธรรมะนี่มันมันไม่ต้องมาพูดถึงว่าใครรู้อะไรเขาก็รู้เหมือนกันหมดในตาลาก็มีอยู่ในเรื่อ ง, องความรู้ชี้ข้อหาตำราก็อยู่ตรงนั้นคำสอน อยู่ที่ความรู้อยู่ในตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในตำรานัเนี่ยไปอ่านตรงนั้นก็ได้เจอตรงนั้นใครไปอ่านก็ได้เจอหลักคําสอนอยู่ที่นั่นเด็กไปอ่านเด็กก็ได้รู้ในหลักคําสอนที่เขียนอยู่นั่นผู้ใหญ่ไปอ่านก็ก็ไปรู้อยู่ตรงนั้นทุกคนอ่านมาเท่านั้นแหละเพิ่งรู้คิดขึ้นมาแล้วรู้ไม่มีหรอกมีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นที่คิดขึ้นมาแล้วรู้<ช anner>พระุทธเจ้าคิดปฏิจจสมุปบาทอยู่ทั้งคืนจนตัศรู้ มีแต่ผู้ไะเจ้าพระ อ, องค์เดียวน้องนั้นรู้ตามใช่ไหมแล้วตัวที่รวบรวมความรู้ก็คือพระไตรปิฎกก็ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นจะพูดถึงเรื่องความรู้ไม่ไม่อยากจะพูดถึงเพราะมันก็มีอยู่แล้วดึงความรู้ตาําราคือคือไปจํามาพูดอะเองอาตมาก็จําได้ไม่หมดเอามาพูดเรื่องความรู้ที่มีอยู่ในตํารานะเอามาพูดก็พูดไม่ได้หมด มันลืมก็มีพูดก็ไม่เต็มด้วยบางทีมันมีสิบข้อจำได้ห้าจำได้แปดอย่างเงี้ยบางทีมีห้าข้อจำได้สี่อย่างงี้ลหรือบางทีในเจ็ดข้อจำได้หกก็มีความจำแต่ความรู้ในตำลามันยังมีอยู่แต่ความจำของเราเนี่บางทีมันลืมได้แต่ความรู้ในตำลาคมไว้ยังไงก็เป็นอย่างนั้น่องความรู้ลืมกันได้จามาก็เอามาพูด พูดก็ได้พูดได้ไม่เต็มเม็เต็มหน่วยแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยสำคัญสําคัญมากเลยวิธีปฏิบัติเป็นเรื่องของประสบการณ์ล้วนๆในจิตประสบการณ์คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราลงมือกระทําแล้วเราจะสามารถแยกแยะออกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นหมายถึงว่าผ่านการเรียนรู้ความถูกความผิดมาแล้วเธอสามารถแยกแยะได้ในขณะที่ปฏิบัติมันมีทั้งผิดทั้งถูกอยู่ในตัวเดียวกันเราจะไปบอกว่าอันนี้ผิด แล้วไม่ใช่ทำปฏิบัติไม่ใช่ผิดก็คือทำปฏิบัติถูกก็คือทำปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างเงี้ยควบคู่กันไปทั้งผิดทั้งถูกเพราะไม่มีใครรู้ถูกมาก่อนถึงแม้จะได้ความรู้จากตําราก็ตามแต่ความรู้ที่ถูกที่จะเอามาเป็นเส้นทางเดินหรือเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกนั่นอ่ะมันมันไม่มีใครรู้มันต้องปฏิบัติไปก่อนถึงจะรู้ทั้งผิดทั้งถูกในขณะที่ทํานั้นแล้วค่อย ค่อยๆเอาความรู้ที่รู้มามาเทียบอ๋อความรู้กําหนดไว้อย่างนี้สิ่งที่เราทํานี้่ไปจากความรู้อย่างนี้มันก็ค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์ออกแล้วก็จนไปรู้ถึงหลักสัจจคตหลักธรรมชาติที่ประ จ, กจักษ์แจ้งแก่ใจนั่นถึงจะสามารถแยกแยกออกได้ชัดเจนว่าผิดเป็นอย่างไรถูกเป็นอย่างไรที่แท้จริงจากนั้นก็ยึดถือถูกรักผิด ในขณะที่เดินมันมีทั้งผิดทั้งถูกไปด้วยกันนั่นแหละขณะที่ปฏิบัตินะนะจะเอาถูกอย่างเดียวไม่มีหรอกในระดับบุรพชนนะถูกโดยส่วนเดียวไม่มียืนยันว่าไม่มีเด็ดขาดะพ้ทีเจ้าก็ไม่ดี<า>ทําถูกมาตั้งแต่ตอนออกบําเพ็ญแล้วถูกเลยมันไม่ใช่ผู้เจ้าก็ผิดก็ถูกมาไม่ผิดในขณะที่ปฏิบัติไม่มีผิดไม่มีถูก แต่เราจะรู้ว่าสิ่งนี้ทําลงไปแล้วไม่นํามาซึ่งประโยชน์และไม่เกิดผลทางด้านการปฏิบัติจริงเราก็ค่อยกําหนดหมายไว้ในสิ่ง น, นี้ว่าอ๋อมันไม่ได้นํามาซึ่งประโยชน์และก็ไม่ได้เกิดผลทางด้านการปฏิบัติแล้วก็ไม่ทําอย่างนั้นอีกแล้วก็มาทำอันอันที่น่าจะเกิดประโยชน์และนํามาซึ่งผลต่อการปฏิบัติเราก็ยึดถือเอาตรงนี้ถ้าทําไปพอทําลงไปแล้วมันเกิดประโยชน์จริงแล้วก็นํามาซึ่งผลทางการปฏิบัติจริงก็ทําต่อไปอีกทีนี้ และใ น, นที่ทำมันก็อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างสลับกันไปอย่างเนี้นะแต่อย่าไปไปยึดเอาในความผิดความถูกอันนั้นะมาเป็นมาเป็นเกณฑ์ตัดสินตัวเองเพราะทุกคนมันเริ่มต้นด้วยความผิดกันทั้งนั้นไม่มีใครเริ่มต้นด้วยความถูกนะเริ่มต้นด้วยความผิดเพียงแต่ว่าการที่เริ่มต้นด้วยความผิดเราไม่รู้ว่าเราผิดเท่า น, นั้นเองมันเลย แยกตัวเองไม่ออกจากความผิดเพราะไม่รู้ว่าเราผิดเมื่อไม่รู้ว่าเราผิดล้วก็เลยทำในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าผิดนั้นว่าเป็นเป็ น, ปนความเป็นธรรมาดาในชีวิตใช่ไหมละ่ะอย่างเช่นในสีขาบทแปดประการบอกว่าห้ามบริโภคอาหารในเวลาวิกาลโดยความปกติเนี่ยชาวบ้านกินอาหาร อ, อาหารในเวลาวิกาลเนี่ย รู้สึกว่าเป็นความผิดไหมไม่ผิ ด, ผดนะก็กินอาหารหลังที่ยังมาก็ไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดใช่ไหมคือเรื่องปกติแต่ทําไมศีแปลกถึงกําหนดไว้ว่าเป็นความผิดสีขาบดแปลมันจะขัดกับวิถีชีวิตของมนุษย์หรือเปล่าที่มนุษย์เป็นอยู่โดยปกตินะเรานั่งบนที่นอ น, อ น, อ น, อ น, อนอสูงเันใหญ่ชาวบ้านก็เรานอนกันเนี่ยตามบ้านตามโรงแรมตามสถานที่ต่างๆ เตรียมนุยความสะดวกให้เรารู้สึกว่าผิดไม่เป็นนอนในที่สบายสบายอย่างนี้เรารู้สึกแต่ทำไมสิขาบทแปดผิดอ่ะเพราะได้กหนดไมันก็คล้ายแสดงว่าความผิดเกิดจากการกาหนดไปเหรอมันก็อยู่ที่ความตั้งหมายงว่าถ้าไม่มีสิขาบทแปดเนี่ยเรานอนบนที่นั่งที่นอนระดูนั่ใหญ่เราไม่ผิดใช่ไหมใช่ฮะไม่ผิดอ้าวแล้วชาวบ้านทั่วไปเราทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยร้องลําทาเพลงรู้สึกว่าผิดไหม แต่ในสีขาบวชแปลกําหนดว่าผิดถ้าไม่กําหนดไว้ผิดสิ่งที่เราทํานั้นจะไม่ผิดใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวเนี้ยเราอาตมาพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเราทําสิ่งที่ผิดโดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นผิดเราจึงไม่รู้สึกผิดในสิ่งที่ทําว่ามันผิดถ้ามันไม่ผิดพุทธเจ้าไม่บัญญัติไม่หรอกว่าให้เรางดเว้น อะไรก็ตามที่วงทรงบอกให้งดเว้นอันนั้นอนะันพิสเราเรากินอาหารในเวลายเย็นอนะ่ะมีบาปนะบาปอ่อนๆชาวบ้านกินก็บาปบาปอ่อนๆเออข้าใจยังเข้าใจแนละ้วเช้ชาบ้านร้องเพลงก็บาปบาปอ่อนๆมันไม่ได้บาปรุนแรงเข้าใจยังชาวบ้านนั่งที่นอนอัสูงมันใหญ่กูจะนั่งนอนสบายยังไงก็ตามก็บาป มันมอ่อนๆมันไม่ได้มากมแต่อ่อนๆเนี่ยพระอริยเจ้าทั้งหลายมองว่ามีโทษ<ม>ท่านก็งดเว้นไงแปดข้ากับสิบห้าข้ามงดเว้นอาการที่งดเว้นได้ก็จะไม่ได้รับโทษใช่ไหมหละ่ะใช่อชาบ้านเนี่ยเขาดังที่นอนบนสูงเขาดีกว่าใช่อันชาวบ้านเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติกิจใ จ, จตนเองเสีสุขอยู่การนอนไปเกิดเป็นนอนอคนที่ร้องลําทําเพลงไปเกิดเป็นอะไร พวกที่ชอบร้องชอบอะไรพวกนกพวกแมงอะไรแล้วแต่เจอ จ, จกระจงจะกระจั้นก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่ามันจะเป็นไปในในระ ด, าดาับไหนพวกชอบกินอาหารในเวลาวิการมีเกิดเป็นอะไรเป็นพวกชอบกินเนี่ยกินจุกกินจิบกินกินไปตลอดไม่มีกำหนดการไม่มีกำหนดเวลามันมีโทษนะไม่ใช่ไม่มีโทษนะพวกอามาโทษอนะไรเราจะกินสักอย่าง เราจะร้องเพลงแล้วเราจะนอนมันเป็นความสุขของเราผู้เจ้าให้พวกเราต้องเอายึดความสุขหรือยินดีในความสุขไหมไม่ยินดีเนาะผู้เจ้าให้ยินดีในอะไรยินดีในให้เห็นทุกข์ใช่ยินดีในความดับทุกข์เราจะดับทุกข์ยังไงแต่ความสุขไม่ใช่การดับทุกข์แน่ใช่ไหมความสุขไม่แค่การบรรเทาทุกข์แต่เราไปยึดในสิ่งที่บรรเทาทุกข์เนี่ยไว้แนบแน่น จนเข้าใจว่าไม่ได้เป็นความผิดอะไรเพราะฉะนั้นความผิดชาวบ้านมองไม่เห็นหรอว่าเป็นเป็นผิดยังไงแค่ปานาติบานอทินนาทานการมีสุนิชชาจาันมุสาวัานแล้วก็สุล า, ามาาีระยะชาวบ้านยังมองไม่ออกว่ามันผิดยังไงวิถีชีวิตเขาอยู่อย่างนี้ยเขาฆ่าสัตว์เขาลักทรัพย์คนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มาเมื่อรู้ตามหลักคําสอนว่าผิดแล้วปั๊บเขาก็งดเว้นแต่เมื่อวิถีชีวิตยังเป็นไปอยู่เขาก็ต้องมีการฆ่าสัตว์ เพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็มางดเว้นค่าสารเลี้ยงชีพแล้วก็มางดเว้นอาการที่เขาเจตแสดงเกจตนางดเว้นนั่นแนหะคือแสดงเกจตนาเตจตจํานงที่ไม่อยากจะฆ่า<ม>แต่มันเป็นการที่เขาจะต้องเลี้ยงชีพตัวเองในวิถีของการฆ่าอาการที่เกจตนาที่มีอยากจะฆ่าตัวนี้จะคุ้มครองรักษาเขาไม่ให้เขาไปรับโทษในอบายภูมิแต่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึง่งเขาจะมีโรคมากมีอาพาธมากมีอายุน้อย ร่างกายที่กลพิการอะไรก็ยังดีกว่าไปตกนรกหรือไปชดใช้ในกำหนดสัตว์ชั้นเปรตพี่ปี่ศาจตะศุลกายใช่ไหมล่ะเนี่ยคือประโยชน์ของการสมาทานเรื่องงดเว้นก็ได้รับโทษอยู่ดีดก็มันมีมนโทษไงนี่ไงธรรมาทึงบอกว่าเราทําสิ่งที่มันเป็นความผิดโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นความผิดพอมาศึกษาหลักคาสอนจึงรู้ว่าเป็นความผิดแล้วมางดเว้นเราก็จะพ้นจากสิ่งที่ผิดแต่โทษ ยังตามมาคือไม่ส่งไปในในชั้นต่างอาการที่กดเว้นมันแสดงเจตจานงหรือตัวเจตนาความจงใจที่เราก็ไม่อยากจะทําอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะพราะมันเป็นความผิดแต่เราก็ชีวิตเราเริ่มมาจากความผิดแล้วจะให้ทํำยังไงนะชีวิตเรามันเริ่มมาจากความผิดแล้วจริงๆเราก็ทำผิดทุกวันทำผิดกันทุกวันเพราเรานอนที่ เราทําผิดกันทุกวันแต่เจตนางดเว้นจะคุ้มคลองเราไม่ให้ไปได้รับโทษอาการที่งดเว้นน่ะผู้เจ้าจึงออกเว้นละมณีงดเว้นแม้จะเป็นแปดข้ากับสิบห้าข้ามแต่ให้ดีที่สุดพระองค์บอกว่าตลอดชีพนั่นคือดีคือระดับดีขึ้นมาอีกนะแต่ระดับดีเบื้องต้นนั่นคืองดเว้นเนี่ยคือหลักวิธีการทางพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงสอนไว้เนี่ยมันคือความเป็นอย่างนี้ นี่คือความเป็นจริงไม่เห่อมาถึงอ่ะห้ามผ่าสัตบห้ามลักทรัพย์ห้ามวิธีการห้ามห้ามไปหมดแล้ววิถีชีวิตของมนุษย์อยู่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามหลักคาสอนในศาสนาได้เลยจะขัดแย้งกันไปทุกๆกรณีเมื่อขัดแย้งกันไปทุกๆกรณีเขาจะศรัทธาพุทธศาสนาได้ได้ไหล่ะก็ศรัทธาไม่ได้ได้ไหมละ่ <S <S <S ละาา ไ, ไ, ไ, ไหะนชาวพุทธบอกห้ามผ้าสัตเทีนเนี่ยฆ่าอยู่เนีย่ยได้ไหมละ่ะจริงๆผู้ดีเจ้าไม่ได้ห้าผู้ชาวบอกว่า เคยค่าอย่างนีก็ 8, 5, 5ค่าแต่แปดคําหบหคำเว้นเถิดแค่นั้นเองอาการทิ้งก้เว้นได้ก็จะพ้นโทษอันนั้นในอาบายภูมินี่คือหลักการไม่ใช่หลักการวิธีการไอ้วิธีการเนี่ยคนจะไม่ค่อยเข้าใจทีนี้หากชาวบ้านให้ทานก็ให้ทาน แต่โดยทั่วไปชาวบ้านทัหลายให้ทานเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์คนเพื่ออะไรเอาแม่ท่านแม่พันให้ทานเมื่อกี้เพื่อประโยชน์อะไรเพื่ออะไรเพื่อเอาบุญเพื่อเอาบุญไม่ได้คิดเลยว่าที่เราให้ทานไปเพื่อจะสร้างประโยชน์ให้แก่คนทั่วไปในภายหลังให้ทานกับพิสูจไม่ได้คิดเลยว่าให้จะได้สร้างประโยชน์ให้กับพระพิสูจน ให้ท่านอยู่ในสถานะของท่านบำเพ็ญสมธรถทไปเป็นกําลังใจให้ท่านให้ปัจเจ sĩ ส่งเสริมท่านช่วยเหลือท่านคอยดูแลในเรื่องปัจเจ sĩ ไในขาดตัวประ้องเพื่อให้ท่านอยู่ในในในศาสนานี้ไปได้ยืดยาวนานหรือบำเพ็ญสมธรรมได้บริบูรณ์หรือคิดแต่เอาบุญเอาบุญเอาบุญถ้าคิดแต่ว่าจะเอาบุญเอาบุ ญ, บญนี่เสียหายหมดเลยนะศาสนาเนี่ยนนพระเจ้าประดิษฐ์อย่างงาั้น คือพื้นเพในจิตในใจของเรา ถ, ถูกสะสมในทางการให้มาดีในหมู่ชาวพุทธเรานี้นะไม่ว่าตั้งแต่บรรพบุรุษสอนมาได้ให้ทานให้ทานให้ทานศา ส, สนานนั้ในพุทธศาสนานในเมืองไทยยังยังไดคงอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะการให้เนี่ยสามารถทําให้ศาสนานดํารงอยู่ได้ไม่ใช่แค่ศาสนานโลกนี้ทั้งโลกดํารงอยู่ได้ด้วยการให้วิถีที่เทตามาหลักการด้วยปฏิปาทาเทตามาสอนพวกเราบ้านทั้งหมด ถ้าไม่มีใครมาให้ทานเราธมาธรรมาก็สอนขอสงสิ่กสิง่านี้ไม่ได้นี้ยังมีครูใหย้ยังมีคนเลี้ยงด้วยปัจเจ sĩ อยู่พี่สูงส่งที่ปฏิบัติตามวิธีการนี้ยังถูกให้ด้วยปัจเจ sĩ อยู่ถ้าปัจเจ sĩ ไม่มีเมื่ อ, อไหร่วิธีนี้ยุติหมดปิดนี่ก็จะปิดเพจนี้ยปิดสํำนับปิดอะไรทุกอย่างเมื่อได้รับปัจเจ sĩ ก็ยังดําเนินไปดําเนินไปดําเนินไป จะดเนินไปถึงตอนไหนก็ยังไม่ทราบนั่นเนี่ยคืออยู่ได้ด้วยการให้โลกนี้อยู่ได้ด้วยการให้ใช่ไหมลโลกคือโลกทั้งใบเลยนะมนุษย์โลกเทวโลกพมโมโลกเปตโลกอสุรกายโลกใช่ไหมล่ะโลกอื่นน่ ะ, ะเขาก็อยู่ได้ด้วยการให้มนุษย์เราจึงเมื่อมีอาการให้ทานแล้วเกิดบุญแล้วอุทิศบุญให้ใช่ไหมล่ะอุทิศบุญให้พางที่ลาชีวิตไปเขาก็ได้รับเขาก็ดำรงอยู่ได้ในภพภูมิ เทวดาก็ดำรงอยู่ในภพภูมิของเทวดาเปรตก็เปลี่ยนสถานะแห่งความยากลำบากเมื่อได้รับบุญไปสู่ภพภูมิที่ดีเหมือนอย่างเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิพิสารมีอาหารทิพย์วิมานทิพย์น้ําทิพย์สิ่งอันเป็นทิพย์บังเกิดขึ้นใช่ไหมนอยู่ดีมีสุขเห็นไหมมันดำรงอยู่ได้ด้วยการให้ถ้าไม่มีการให้นี้ทุกอย่างมีบัตรทุกอย่างชิบหายไปวอดวลดโรคเนี้ยโรคกระทกเนี้ยลูกเกิดขึ้นมาหากแม่ไม่ให้นมลูกกินอยู่ได้ไหม ก็ถึงความสูลสิ้นของเผ่าพันธุ์มนุษย์นี่คือการให้ยิ่งใหญ่มากการให้จึงเป็นคุณธรรมเบื้องต้นสําหรับชีวิตมนุษย์ทุกชีวิตเพราะอะไรเพราะเราก็เป็นไปตามผลแห่งการให้ชีวิตของเราเองนะเป็นไปตามผลแห่งการให้พระเจ้าจึงบอกอยู่เสมอว่า<ๆ>การที่บุคคลดําเนินชีวิตอในโลกนี้จะได้ข้าวของทรัพย์สินเงินทองเครื่องอุปโภคใช้สอยบริโภคต่างๆ ล้วนแล้วแต่มาจากการให้ของตนทั้งนั้นหากตนไม่เคยได้ให้ไว้ไม่มีทางที่จะได้อันนี้คือหลักสัจจะพระองค์บอกว่าตาคาคตจะมาเป็นสมมาสัมพุทธธาได้ก็ผลจากทานที่เคยได้ให้ไว้แต่อดีตด้วยผลจากศีลที่เคยรักษาแต่อดีตด้วยผลจากการภาวนาตั้งแต่อดีตด้วยล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งการหลุเดเรื่องจิตใจให้เข้าบรรลุถึงสมมาสัมพุทญาณก็คือบุญแต่ปางก่อนทั้งนั้นล้วนๆที่ทามา ถามว่าพุทธเจ้าสอนให้อเอาบุญไหมบุญมันเอาได้ไหมล่ะตามหลักความจริงแล้วบุญเอาได้ไห ม, ไมไพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เอาบุญแต่พระองค์สอนให้รู้จักบุญว่าให้ทานสิ่งนี้ได้อนิสงส์สิ่งนี้บุญที่ได้จากอนิสงส์เนี่ยจะนําเราไปสู่พบในชั้นดีใช่ไหมล่ะหรือหากเราเปลี่ยนสถานะของบุญที่จะนําเราไปสู่พบในชั้นดีหรือ เปลี่ยนสถานะของบุญที่จะเป็นเครื่องรองรับเราในภพชาติให้มาเป็นเครื่องหนุนเนื่องจิตเข้าถึงพระนิพพานบุญนั้นก็จะไม่ได้อาํานวยในด้านด้านด้านอะไรด้านภพชาติที่ดีก็จะมาหนุนเนื่องจิตใจของของเราให้ไปเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับไปของทุกเห็นทางปฏิบัติถึงความดับทุกถ้าเราปรารถนาพระนิพพานบุญก็จะหนุนในเรื่องพวกนี้ให้เราไปเห็นอริยสัจเมื่อบุญเรา บุญนี้มันสะสมอยู่ในจิตแล้วคอยเป็นพนลังหยุนเนื่องจนให้มีสติปัญญาแก่ข้าสามารถเห็นทุกได้โดยไม่ตื่นตระหนกเห็นทุกได้โดยที่ไม่บอกแบกภายในจิตเห็นความทุกได้โดยที่จิตใจไม่คลอนแคนเห็นความทุกที่เกิดขึ้นกับชีวิตตนเองแม้จะเป็นภัยอันใหญ่หลวงถึงแก่ชีวิตก็ตามจิตใจก็ตั้งมั่นบุญอันนั้นคือบุญมากบุญมากนั้นในจิตที่สามารถเห็นทุกได้ แล้วก็เห็นเหตุทุกอยู่ในเหตุก็อยู่กับทุกนั่นแหละทุกกับเหตุมันอาศัยอยู่ด้วยกันไม่มีเลยที่ทุกเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุจะสร้างเหตุให้เกิดทุกตอนนี้ก็สร้างได้แต่เมื่อไม่ได้สร้างเหตุให้เกิดทุกจะทุกได้ไหมล่ะก็ทุกไม่ได้เพราะฉะนั้นเหตุจะมีมีสองประจายเหตุจากเรากับเหตุจากภายนอกนียเหตุจากภายนอก ก็สามารถทําให้เราทุกข์ได so ้เหตุจากภายในก็สามารถทําให้เราทุกข์ได้มีทั้งสองเหตุแล้วก็เห็นความดับไปของเหตุคือเมื่อเหตุดับทุกข์ก็ดับการเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับไปของทุกข์อย่างนี้ก็คือมักบุญก็จะหนุนให้จิตของเราเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับไปของทุกข์อย่างนี้มันก็จะไม่อํานวยในเรื่องของด้านโคกข้าทรัพย์สมบัติ เงินทองเข้าของถ้าจะอํานวยก็อํานวยมาจากบุญกุศลที่ทําไว้แต่ปางก่อนจะมาอํานวยปางก่อนเราไม่ได้ปัตตานานิพานเนี่เราเลยไม่ได้ไปนิพานแต่มาปางนี้เราปัาตานานิพานเราก็จะได้ไปนิพานหรือปางก่อนเราอาจจะปัตตานานิพานแต่อินทรีย์อ่อนบุญที่หนุนเนื่องก็ไม่เข้มข้นเพีเยงพอชาตินี้ก็มาทําต่อและปราตานาพระนิพานต่อพระทีเจ้าอยังบอกว่าทําบุญแล้ว โน้มนำบุญที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อนุนจิตให้ไปพื่นิพพานนั้นบุญนั่นจึงจะชื่อว่าเป็นสมาธิถิในทางพุศนาการทําบุญด้วยสมาธิถิแต่ถ้าทําบุญแล้วปัฏฐานาสวรสด์ปัฏฐานาเป็นมนุษย์ปัฏฐานาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐาีอีกในภพหน้าชาติหน้า <S <S <os> พระเจ้าบอกว่านั่นไม่ใช่ความต้องการที่พระองค์ต้องการให้พวกเราได้รับเสวยความสุขจากบุญที่ได้ทําแต่เรื่องของจิตใจใครจิตใจมัน พระองค์ทรงสอนหลักการแห่งเหตุปัจจัยไว้ให้เราทราบเหตุแห่งการทาบุญเหตุแห่งการทาบาปที่จะนําไปสู่ผลอย่างไรที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยพรองค์ก็ทรงสอนไปแล้วส่วนใครจะเลือกอย่างไรให้ชีวิตตนเองเป็นไปในภายภาคหน้าก็ขึ้นอยู่กับใจที่จะเลือกจะเลือกเอาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ได้จะเลือกเอาไปเป็นเทวราอยู่บนสวรรค์ให้มียศทิพย์สมบัติทิพย์ยิ่งใหญ่อยู่บนสวรรค์ก็ได้ จะเลือกเอาไปเป็นพรมก็ออกบําเพ็ญกิตบําเพ็ญใจทางด้าน ส, สมาธิภาวนาแล้วก็ตายด้วยอำนาจของสมาธิในขณะที่ทรงจิตด้วยสมาธิก็ไปเกิดเป็นพรมหรือจะเลือกเอาพ้นทุกก็ต้องมาขบคิดทางด้านสติปัญญาในการรู้จักทุกรู้จักเห็นให้เกิดทุกพูด ง, ง่ายๆว่าเรามุ่งจิตไปในอะไรบุญจะหนุนเนื่องให้เราไปทําในอันนั้นให้สําเร็จประโยชน์เพราะบุญจะเป็นตัวหนุนให้จิตได้กระทําสิ่งต่างๆได้สําเร็จประโยชน์ หากบุญไม่เพียงพอจะกระทําสิ่งาต่างๆให้สำเร็จประโยชน์ยากมากยาก<ม>เพราะนั้นบุญจึงมีความสำคัญรากรรู้ี่บุญนีมันยังสะดวกตมก็ได้ใช่คะได้คืออะไรเาวไม่บุญเา จะไปยากอะไรถ้าเราทํำลานภาษีมหาโพธิไว้บุญเกิดตลอด24ชั่วโมงจนกว่าพื้นภาษีมหาโพธินั้นจะพัทงทีินาศไปบุญยังเกิดขึ้นที่กระแสของใจเราตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนจะกลัวว่าไม่ได้อุทิศหรือยังไงไม่ต้องไปกลัวไปอุทิศ ต, ตอนไหนก็ได้ภายใน24ชั่วโมงแล้วก็ตลอดกาลนานเลยบุญยังสืบเนื่องอยู่กับเราตลอดแม้ตายไปแล้วปับ๊บบุญก็ยังสืบเนื่องกับจิตอยู่ตลอด หนุนให้จิตไปอยู่ในภพภูมิชั้นสูงหรือไปเป็นเทวราอยู่บนสวรรค์คือยังไม่พ้นทุกข์นะคือมันได้อยู่แล้วเทวราอยู่บนสวรรค์ปั๊บพื้นภาษีมหาโพธิ์ที่เราสร้างมาเนี่ยยังสื่อถึงตัวเราอยู่บุญนา่าพลังบุญนะยังเกิดขึ้นเป็นกระแสเชื่อมโยงกับจิตเราอยู่เกิดว่าว่าว่ า, วาอยู่บนน้นบนนี้มาที่เครื่องทิ อยู่กับตัวเราโน่นอยู่บนสวรรค์โ่นยอดยาวนานจนกว่าลานพระศรีมหาโพธิ์นี้จะพัง่ินาไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้โน่นถึงขนาดนั้นคิดว่าเขาไม่คิดดูากสมมติขนาดนั้นแต่ว่าหันล้าจริงๆแล้วเนี่ยป้าเราก็คงทเงินเยอะ้เมนชาไม่ใช่ป้าหอหน้าพูสุริญงข้ามให้แต่งายมันก็ได้เหมือนกันไม่ก็คิดมาในใจว่า บุญที่เกิดจากการทำลานผ้าสีมหาโพธิที่นี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ญาติของข้าพเจ้าเพีแค่นี้ที่ทำที่ทำไม่ได้เพราะว่าได้จะเป็นอะไรไปไดทุกเมื่อเพราะมันเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงได้ทำ ไ, ไมจะไม่ได้สมองมันไม่ใช่เฉพาะขณะที่เอาให้ปุ๊บแล้วไปอุทิศแล้วจะหมดมันไม่หมดเพราะอันนั้นน่ะอันถ้าเป็นของของอย่างางี้ยหมดเขาจะยัง แต่ถ้าพันที่เราทําน่ะมันเป็นถาวนวัตถุเข้าใจยังถาวนวัตถุนั่นเนอะนานเลยที่นี้เขาว่าถาวนเข้าใจไหมอันนี้มันไม่ใช่ถาวอนนี่ oh. บุญไม่ได้ไม่ใช่ถาวนวัตถุหมดในวันนี้ก็คือให้สละวันนี้เกิดแล้วดับแล้ว ตมาบอกแล้วให้หนุนจิตใจยายพันดูทนดีกว่าไม่ต้องไปอุทิศให้ใครอ่ะอุิดมาเยอะแล้วมาบ้างดูทดีกว่าใจก็ต้องการอย่างนั้นแต่เป็นวอชาวที่กลัวไปเมื่อยจะใหู้างให้กูเลย่กอไม่อะีกกลัวทำไมชาวทิพยถ้าจะเสื่อขนาดนั้นอย่าไปเอาเลยบุญ เห็นเขาทําคุณก็อนุโมทนาสิสาธุคุณก็เกิดขึ้นแล้วนะง่ายๆใช่มั้บทให้เราก็ให้อยู่ใช่ไห้ละไอ้บทที่จะไม่ให้จะมาจะมาทวงเราเดี๋ยวเดี๋ยวพ่วงอ่ะอาจายย์เอแล้วก็พ่วงวันที่เกิดอะไรเกิดขึ้นทรงกันได้ไม่จําเพาะกันหรอกเราพ่งอยู่แล้ว เพราะอย่างนี้เ <g rah> พอมีชาวทิพย์โง่ๆอยู่ด้วยนั่นแหละเลยทําให้เราโง่ไปกับมันเลย <g rah> ต้องทําให้เราฉลาดเราต้องฉลาดด้วยพ <g rah> อถึงจะชนดกูดถึงเรื่องชาวทิพย์นี่ในสังคมในเวลานี้ก็ยากที่จะเข้าใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงแค่ไหนเพราะระบบของวิทยาศาสตร์มันผูกปูพื้นไม่นี่จิตใจของคนไปหมดแล้วและจึงเรื่องของชาวทิพย์ถึงถูกมองว่า เป็นเรื่องควา ม, มงมงายคนที่พูดถึงเรื่องชาวทิพย์คือคนที่ยังตกอยู่ภายใต้วิสัยแห่งควา ม, มงมงายอยู่ในทัศนะตของคนรุ่นใหม่ชาวทิพย์ก็พูดไปอย่างงั้นแหละแต่ไออย่างนั้นแหละเนะี่คือความจริงที่มันมีอยู่เพราะว่าวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ไปไม่ถึงเมื่อเมื่อวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไปไม่ถึงมันก็เลย ทำให้สิ่งที่มันมีอยู่จริงไม่ได้ถูกเปิดเผยเอมีได้ข่าวว่ามันใหมมานี่นะใหม่ๆเลยนะใหม่ๆล่าสุดนี้ว่าเขามีกล้องจับวิญญาณได้แล้ว<ม>ว่ามีอยู่จริงเขาไปถ่ายที่สารพัดภูมิเลยมีไหมสารพัดภูมินี่ปรากฏว่าปรากฏเป็นรูปวิญญาณขึ้นมีอยู่จริงไปถ่ายที่ต้นกล้วยมีนางตะนีไหมปรากฏว่ามีรูปนางตานีปรากฏในกล้องนะ ไปถ่ายที่รถวันที่รถเนี่ยมีผู้สถิตไหมก็มีรูปวิญญาณสถิตยอยู่ในรถมีใหม่ๆเลยนะล่าสุดนี่กล้อ ง, องอะไรประเภทเนี่ยจับจับกระแสรหรือพลังงานในในส่วนของละเอียดอันเนี้ยเริ่มเริ่มเปิดเผยออกมาแล้วในในจุดนี้ แล้วก็ถ่ายไปตามถนนหนทางแล้ววิญญาณแต่ละวิญญาณแสดงสภาพที่ปรากฏต่อกล้องนั้นอ่ะไม่เหมือนกันที่มีอนุภาพมากจะปรากฏเป็นสีทองใช่ที่มีอนุภาพตามลงมาก็จะสีขาวถ้าพวกอนุภาพน้อยจะเป็นเทาๆปรากฏในนั้นนะมีคนออามาเปิดให้ดูอ๋อก็อย่างนี้ด้วยเว้ยนะตที่เจอพระอาจารย์น สมัยก่อนเนเข้าไปที่ที yeah, ่ข well, ้อะแล้วแล้วมีงานวันก็ถ่ายรูปนี่ยเขนเลยภาพมานะมันจะมีดวงดวงใหญ่ดวงเล็กดวงใหญ่ดวงเล็กสีเทาสีาสีอะไรเต็มไปนะเ่นี่ก็แล้วกลคืนนะอันนั้นอันนั้นยังมองเป็นดวงนะอันนี้เป็นรูปร่างใช่ ต่อไปเมื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทันสมัยมากขึ้นจะสามารถเห็นผีปีศาจตามรอบตัวเราให้หมดและจะไปทำลายทฤษฎีของเราวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่เข้าใจว่าโลกทิ่ไม่มีอยู่จริงหมดในอนาคตจะเกิดขึ้นแน่นอนอยืนยั น, นแน่นอนเลยเขาอยู่ตามทุกที่ต้นไม้พื้นดินถนน ม, มีผู้สถิตทั้งนั้น มีผู้อาศัยอยู่เท่านั้นถ้ากล้อง ด, ดีเห็นชัดหมดนี่โอ้ไม่น่าดูมันมีหลายอย่างที่ไม่น่าดูเปร ย, ปยก็มีให้เห็นอย่างเนะงี้ยนะเน่าก็มีให้เห็ น, นก็ไม่น่าดูเท่าไหร่แต่ถ้ามันเห็นได้ชัดหมดมก็ไม่ไหวเอาแค่มาพิสูจน์ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีก็มันจะเข้ากับหลักพุทธศาสนาของเราได้ดีเยี่ยม พุทธศาสนานี้หลักคํำสอนไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่คงจะไปสอนแล้วโลกภไม่เห็นสองสวรรค์ก็คงไม่เห็นะแต่แต่อย่างน้อยการรับรู้รับทราบด้วยว่าอรูปผีปีาศาจอยู่รอบข่างกายเรามีอยู่ก็เท่ากับสื่อให้เห็นในพวกภูมิอื่นแน่นอนว่าต้องมีอย่างนี้นในชั้นของกเมลสัตว์เนี่ยสิมีชีวิตเล็กๆที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นพวกจุลินทรี์ กล้องส่องเข้าไปก็ยังเห็นเป็นตัวใช่ไหมล่ะฟันเราเนี่ยมันผูกมีแมงกินเน่ยเราเห็นแมงมันกินฟันเราไห ม, มไม่เห็นเอากล้องมาส่องดูสิยุบยับยุบยั บ, ย บ, ยบเต็มไปหมดนะมเห็นไหมล่ะพบภูมนี้แค่ชั้นชั้นสัตว์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะพวกครึ่งเซลล์เซลลเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ยิ่งก้าวหน้าไปมากเท่าไหร่ ยิ่ง ส, <João> <S an iqu itous> สามารถพิสูจน์หลักทำคำสอนพุทธศาสนาได้ออกมาได้แย่งแจ้งมากเท่านั้นเด็กสมัยใหม่ที่มีหัววิทยาศาสตร์จึงควรพินิจพิเคราะห์ให้ดีว่าหลักคำสอนทางพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องของความงงงายยืนยันแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของความงงงายนั่นคือเรื่องที่มีอยู่จริงจะให้พูดอะไร ก็พูดเรื่องนี้แหละที่เราคุยกันตั้งแต่แรกนี่แหละผิดนะเรามาจากความผิดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวความผิดแต่คาว่าไม่ต้องกลัวความผิดไม่ได้หมายความว่าให้เราไปทําผิดนะเข้าใจไหมคือมันต้องผิดอยู่แล้วอย่าไปกลัวว่าจะทำอะไนั้นจะผิดบางคนกลัวว่าอันนั้นจะผิดกลัวนี่จะผิดกลัวกลายเป็นกังวลวิตกไปเลยมันผิดอเลยกายจะไปทําอะไรไม่ได้เลยนี่ก็กลัวผิดหลายๆอย่างเนี่ยเอออันนั้น่ะ แต่ให้ศึกษาความผิดเรียนรู้ความผิดเพื่อสร้างความถูกให้เกิดขึ้นแล้วความถูกที่ควรจะสร้างให้เกิดขึ้นเป็นอับแรกคือความเห็นถูกความเห็นถูกจะนำไปสู่ความคิดที่ถูกความคิดที่ถูกจะนำไปสู่สัมมาวาจจะแม่หลกการพูดที่ถูกการพูดที่ถูกจะนาไปสูก่การกระทำที่ถูกสัมมากรัมตะ การการทำที่ถูกจะนำไปสู่การใช้ชีวิตที่ถูกซ้ามาอาชีวะใช่ไหมมันเป็นลำดับอย่างนี้เลยถ้าไม่ลาดับอย่างนี้ไม่ได้จะไปทำให้ถูกเลยโดยไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำไม่ได้มันจะถูกไปไม่ได้มันก็ผิดอยู่วันนันงค่ำเลยทำถูกก็ผิดนะเป็นอย่างั้นมันต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำความเห็นถูกต้องเป็นตัวนำหลักที่โวกทรงสอนไว้ สีขาวบทห้าแม้จะมีอยู่ก่อนก่อนที่พวงจะสอนแต่พวงมันหยัดสีเข้าไปเพื่อให้เรางดเว้นเนี่ยก็เพื่อคุ้มครองรักษาเราไม่ให้เป็นรับโทษในสิในในสีขาบทห้าที่เราเคยละเมิดมาก่อนที่เป็นความผิดมาก่อนก็จะงดเว้นอาการที่งดเว้นได้ก็จะยกเราพ้นออกจากโทษนั้นสีขาบทแปดก็จะยกจิตเราสูงขึ้นไปอีกเนี่ยตามลําดับนี่แหละคือกําลังของเจตนา ม, มีอดิสงมากกว่า หมายถึงว่าสิ่งใดก็ตามที่เราทํามาแล้วในอดีตยังไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่เราทําในปัจจุบันสิ่งที่ทําในปัจจุบันเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าและได้ผลมากกว่าอ น, นิสงมากกว่านํามาซึ่งประโยชน์แห่งความสําเร็จได้มากกว่าอดีตไม่มีความสําคัญแต่มันส่งผลแน่ในสิ่งที่เราทํามาแต่ก่อนเนี่ยแต่เมื่อเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้แล้วเราจะไปแก้มันทําไมเพราะมันแก้ไม่ได้ ใช่ไหมล่ะเราจะไปกังวลมาทําไมเราจะไปวิโตกังวลทาไมเราจะไปคุ้นคิดอยู่กับเรื่องของอดีตทําไมเราทําใหม่เลยปัจจุบันเนี่ยเพราะปัจจุบันสําคัญที่สุดวิธีการที่ปฏิบัติตามหลักคําสอนนี้มีความสําคัญกว่าความรู้ในหลักคําสอนความสําคัญนี้ความรู้เนี่ยสําคัญกว่าความไม่รู้ในหลักคําสอนเพราะนั้นเข้ามาสู่การเรียนรู้แล้วก็เข้ามาศึกษาวิธีการปฏิบัติ ให้ถูกหมายถึงว่าปรับความรู้ให้เข้ากับวิถีชีวิตแห่งการดําเนินนั่นคือวิธีการจากอะไรมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผู้ได้เจ้าทรงทราบว่าภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยบวชเข้ามาแล้วพงรู้ว่าคนนี้ไม่เคยทําบุญมาแต่ปางก่อนในอดีตเขาจับอยู่อย่างลําบากแน่ผู้เจ้าทราบภิกษุรูปเนี่ยจะอยู่อย่างลําบากจะไม่ได้ลับสักการะปิณฑบาตก็จะไม่พอฉันความเป็นอยู่ก็จะฝืดเคือง ที่อยู่อาศัยก็จะไม่ได้ดีเหมือนกับพิสูรรูปอื่นเพราะไม่เคยทําบุญมาแต่ปางก่อนพงษ์ก็เลยอนุเคราะห์พิสูรรูปนี้ด้วยด้วยเมตตาด้วยการคิดว่าทําอย่างไรเนอะพิสูรรูปนี้ถึงจะมีความอยู่สบายในปัจจุบันนี้พงษ์จึงคํานวณด้วยสัพพัญยุตญานบุญเก่าแต่ปางก่อนก็น้อยคือแท้จะไม่มีเลยห ร, หรือมีไม่พอที่จะอาํานวยผลให้อยู่อย่างสุขสบายนั่นหมายถึงว่าพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ใครอยู่อย่างลำบากนะพงษ์ก็ต้องการให้ภิกษุเองเนี่ย อยู่อย่างสบายยุ้นกันนะไม่ใช่ว่าบวชมาแล้วนี่อะไรอยู่แบบไหนอ่ะเขาเรียกว่าอยู่แบบปอนปอนอยู่แบบเสื้อผ้าข า, าดอยู่แบบไม่มีอะไรใช้ทันสมัยอะไรเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้นั่นเป็นมุมมองที่ผิดมากๆเลยเนี่เป็นมิจฉาทิถี ด, ด้วยหรือว่าตามเวีตามกรรมไปเถอะใครทํากรรมมายัางไงก็ตามเวีนตามกรรมอย่างนั้นไม่ใช่อีก ผ<ท>ู้ชาไม่ให้เป็นไ ป, น ป, น ป, นปนตามเวรตามกรรมไอ้เวรกรรมน่ะมันมันต้องส่งผลอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพระองค์จึงเลง็งว่าเราจะทํายังไงให้ภิกษุนี้สามารถอยู่สบายในปัจจุบันจะทํำยังไงหนอะพระองค์จึงทราบว่าหากภิกษุนี้ทํากิจของสงฆ์รับใช้สงฆ์อุทิศ ต, ตนเองในการรับใช้สงฆ์เขาจะสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้ในขณะที่ ดำรงเพศสมณะนี้แล้วเขาจะประเพศสมานะธรรมไปถึงความบุพ้พนได้นวลคือถ้าไม่เริ่มจากความสบายแล้วเนี่ยมันจะมันจะไปได้ยากเข้าใจไหมครูเจ้าก็เลยบอกว่าภิกษุเธอสามารถอุทิศตนเพื่อรับใช้สงฆ์ได้ไหมทำกิจของสงฆ์ทุกอย่างตักน้าดูแลถูพื้นถูสราจัดการสิ่งต่างๆเพื่อสงฆ์ดูแลสงฆ์หรือว่ารับใช้สงฆ์หรือ หมายถึงว่าสงใช้อะไรกับกับภิกษุนี้ภิกษุนี้ก็ทําภิกษุนี้ก็เลยบอกว่าข้าพระองค์ทําได้พระเจ้าค่านั้นเธอจงทําภิกษุนี้ก็ทําเลยจัดการทุกอย่างเตรียมนม้ํ า, า, าไว้ให้ภิกษุสงเตรียมอาสนะไว้ให้ภิกษุสงจัดทุกจัดแจงที่พัก ท, ที่นอนอะไรให้ภิกษุสงภิกษุใดจอดมาก็อาสาในการทาสิ่งเหล่านั้นภิกษุได้ จะเดินทางไปที่อื่นก็จัดแจงอาสาเตรียมของเตรียมสิ่งต่างๆไปให้ปัดกวาดเช็ดถูอะไรทุกอย่างที่เป็นกิจของสงฆ์ที่ควรกระทําที่พึงกระทําไม่ว่าจะเป็นการรักษาเสนาสนะรักษ า, าสิ่งต่างๆในวัตถุของสงฆ์เนี่ยญาติโยมเห็นภิกษุนี้อุทิศตนทําเพื่อสงฆ์ก็เลยเห็นว่าภิกษุนี้ควรได้ลาบสการะ ก็เลยสลักของทานมาให้ดูแลทุกอย่างเกิดเป็นความสบายขึ้นไม่ได้ฝืนเครื่องด้วยปัจจัยสีเมื่อไม่ฝืนเครื่องด้วยปัจจัย4ี่จิตก็น้อมไปในความสงบเบาสบายเมื่อจิตน้อมไปในความสงบเบาสบายอาศัยความสงบเบาสบายที่ยารณาธรรมบรรลุมรรคผลเห็นไหมำจจำ ท, ทำในปัจจุบันสําคัญที่สุดการกระทาในปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดอดีตผ่านมาแล้วเป็นยังไงก็ช่างไปปัจจุบันเนี่ยสาคัญ ชาวบ้านเองก็ตามได้ดูแลพิสูจสมเนี่ยได้ให้ปัจเจศสีแดดพิสูจสมผลบุญที่ตอบสนองกลับคืนไปนั่นเองก็ยังที่บอกอย่าไปเอาบุญนะถือว่าเราได้สร้างประโยชน์ให้กับพระพิสูจสมแต่บุญอันได้แน่นอนมากมายการที่บงทรงแสดงบุญว่ามากมายเท่านั้นเท่านี้คือแสดงอนิสงฆ์ให้ทราบในการกระทําในแต่ละอันสมจึงเป็นนาบุญอันดีกว่านาบุญทั้งหลายในโลกมนุษย์นี้เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มพูนบุญบุญสมพอเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นแล้วผิดที่ผ่านมาคือผิดไปเข้าใจยอมรับหาความรู้ในการที่จะทำให้มันถูกแต่อย่าไปกลัวความผิดถ้ากลัวความผิดอยู่ไม่ได้มมีข้ออลนหนิตหนิัข้ามบังคับผลอันนั้นคือตำหนิพระอริยเจ้า ก็ตอนนั้นเราไม่รู้พามพูดหนึ่งไปดา่าผู้ได้เจ้าด่าเอาด่าเอาดา่า้ไดเจ้าก็นิ่งเฉยอกโกสะกะพาม่ายังเดียวสมณะโลนสมณะอะไรพามสอนอะไรแต่เรื่องทุกๆอะไรเงี้ยคือดา่ดาดา่ดา่ดเจ้านิ่งเฉยแล้วพามก็บอกเอา้าสมณะเราดา่าท่านตั้งเยอะตั้งแยะทำไมท่านไม่ตอบเราสักคา พี่จ้ก็บอกว่าอาหารที่ท่านจัดเตรียมไว้ให้แขกหากแขกนั้นไม่บริโภคอาหารจะตกเป็นของใครก็ต้องตกเป็นของเราต่อไปเลยนะครับเราไม่รับคําด่าของท่านคำด่าจะตกเป็นของใคร <laughs> ใช่ไหมละ่ะ <laughs> เออพามกไ็ได้สติขึ้นมาเลยนี่โอ้โหนี่มันสุดยอดแห่งปรัชญาเลยนะั่นแห่งวาทะอันนี้เกระทิมแทงใจมากเลยยอมหมอปราภาพ ทิถิพังทพินาศลงไปเห็นไหมล่ะมาฟังเทศบวชตามพุทธเจ้าบรรลุอลหรหันต์ดาวพุทธเจ้าจนไม่รู้เท่าไรเท่าไรบรรลุอลหรหันต์เลยจะไปกลัวอะไรเขราะยังใจงไปซ่้าหมอมาเคยตำหนี่ผ้านั้นนั <c oughs> <ๆ>่นนี่มาก่อนต่อไปก็ระวังเท่า น, นั้นเองอะไรก็ตามที่ร่วงไปก็ร่วงไปละไปดับไป อย่าไปเศรมาหมอของมันไอ้เศร้าหมอนี่อันตรายกว่าที่ทํากรรมใหม่ดีกว่าสําคัญกว่านั่นเละอันนั้นนะมันเป็นทิฏฐิอันหนึ่งที่พูดไปนะมันพูดไปด้วยอํานาจของทิฏฐิวางทิฏฐิเรานั้นทิ้งหมดเราก็พลิกใหม่ตั้งทิฏฐิใหม่มองใหม่แก้ใหม่ถ้ามันไม่สามารถที่จะแก้ใหม่ได้พระองค์จะไม่สอนหรอกก็คงจะมีคนเด็ดเป็นไปตามเวนตามกรรมชดใช้แต่เวนตกรรมมันอยู่มิรืมมิเลิบไปแล้วอย่างนั้นแหะ ศาสนาพุทธก็ไม่ใช่ทางออกของมนุษย์สิศาสนาพุทธมีทางออกสำหรับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้เข้าใจวิธีการใช้ชีวิตให้ถูกต้องสิ่งที่ล่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วคือสิ่งที่ล่วงไปละไปดับไปอย่าไปใส่ใจในสิ่งนั้นให้ทำสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในภายภาคหน้าเมื่อเราสร้างเหตุอย่างนี้สำคัญกว่าก็คือสำคัญพายมตัวนั้นวางทิศถีลงปั๊บยอมเข้าถึงพุทธพุทธเจ้ามาทำประสงค์เป็นสารณะบวชก็ บ, บรรุทธ์ทำด้วย คำถามจากโยมนางนอนพระอาจารย์ครับสัจธรรมกับอริยสัจใช้แตกต่างกันอย่างไรครับสิ่งที่เรียกว่าสัจจะสัจสจะคือความจริงธรรมคือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความจริงที่เป็นจริงอย่างนั้นนะคือสัจธรรมเป็นการเรียกเรียกสิ่งที่เป็นความจริงที่คงอยู่อย่างนั้น และมีอยู่อย่างนั้นและเป็นอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเป็นการเรียกว่าใช้เรียบอันนี้สัจธรรมอริยสัจเป็นการระบุถึงความจริงที่ประเสริฐอริยคือความประเสริฐหมายว่าความจริงที่ทําให้คนเป็นอริ ย, ยสัจธรรมเนี่ยเช่นการเกิดขึ้น การตั้งอยู่และการดับไปไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีการดับสัจธรรมคือสิ่งที่บอกให้ทราบว่าสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็จะดับไปตามธรรมดารามันเกิดและกระดับเกิดและกระดับเกิดและกระดับเกิดและก็ดับแล้วการเกิดดับจะมีอยู่ลักษณะสามคือแปรปรวนไม่คงทนถาวรแล้วก็สลายตัวแปรปรวนไม่คงทนถาวรแล้วก็สลายตัวแปรปรวนไม่คงทนถาวรแล้วก็สลายตัว นั่นคือการเกิดการดับจะมีอยู่ลักษณะสามอันนี้สัจธรรมจ ะ, จะเรียกอย่างนี้เรียกว่าสัจธรรมแต่อริยสัจจะเป็นการเรียกเพื่อให้จิตได้ไปเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนทุกคนและทำให้ผู้เห็นนั้นเป็นพระอริยะสัจธรรมใครจะเห็นก็ตามใครไม่เห็นก็ตาม สัจธรรมไม่ได้ทําให้ใครเป็นอริยะเพราะสัจธรรมที่มีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยมันเป็นวิถีของมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นกฎตายตัวของมันเป็นระบบของมันไม่ได้ทําให้ใครเป็นพระอริยะแต่คนที่จะเป็นพระอริยะได้ก็ต้องเห็นอริยสัจเห็นความจริงในอริยสัจนี้เมื่อเห็นความจริงในอริยสัจแล้วความจริงในอริยสัจจะให้ไปเห็นสัจธรรม มันจะอำนวยผลให้ไปเห็นสัจธรรมความเห็นในอริยสัจสีเป็นสมมาทิฏิทำให้บุคคลนั้นเป็นพระอริยะเป็นมรรคที่ควรเจริญขึ้นแต่สัจธรรมไม่ต้องเจริญนะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ต้องเจริญมันมันเป็นธรรมชาติทั้งสิ่งหล่านะแต่สิ่งที่ควรเจริญขึ้นคือเห็น ตามอริยสัจสี่เห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับไปของทุกเห็นทางปฏิบัติที่ถึงความดับทุกเรี็วมากสัจจะเป็นสิ่งที่เมื่อเราทำมากเต็มแล้วจิตจะไปเห็นสัจธรรมนั้นตามความเป็นจริง ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าไปเลื่อนลอกลไปรู้แจ้งไปเห็นภายหลังจากอริยมรรคนี้บริบูรณ์ถึงจะไปเห็นความจริงนั้นอย่างถี่ถ้วนอย่างชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งเขาบอกว่าเอาอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถกำหนดความไม่เที่ยงกำหนดหมายความ ไม่คงทนขาวบอลกำหนดหมายความแตกสลายอยู่เป็นอนัตตาได้สิในชั้นขวามบูรุษชนให้จําไว้ว่าการกําหนดหมายนั่นน่ยยังไม่ใช่ความจริงแต่การกําหนดหมายว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่คงทนถาวบอลและสิ่งเหล่านี้ต้องสลายตัวมันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเข้าไปเห็นเพื่อเข้าไปเห็นสัจจเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเข้าไปเห็นสัจจแต่ คำว่าไม่เที่ยงไม่กลมคนเท้าวอลและสลายตัวเหล่าเนี่ยมันมันมันมันเป็นสัจธรรมที่ไม่เกี่ยวว่าจะมีผู้นั้นเห็นหรือไม่มีผู้เห็นไม่เกี่ยวมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับโดยลักษณะสามนี้การที่เข้าไปรู้ลักษณะสามเนี่ยจึงสามารถเห็นการเกิดดับตามหลักสัจจะได้ มันก็จะถ่ถอนความยึดถือในตัวตนทั้งหมดออกไปได้สัจธรรมจึงเป็นชื่อเรียกสภาพของสังขารที่เกิดละกระดับโดยมีลักษณะสามว่าแปรปวนไม่คงที่แล้วก็สลายตัวตรงเนี้ยคือสัจธรรมส่วนอริสัตนี้ต้องรู้ทุกทุกในตัวเรารู้เหตุให้เกิดทุกในตัวเรารู้ความดับไปของทุกในตัวเรา แล right? yeah. はは you know ้วก็รู้ทางที่จะปฏิบัติให้ถึงความระับทุกในตัวเราอารยสัจให้รู้อยู่ในตัวเราทําให้เกิดความเป็นอริยะขึ้นความจริงที่ประเสริฐธรรมศัจธรรมเป็นความจริงที่ประเสริฐไหมความจริงในศัจธรรมนั้นไม่เกี่ยวกับว่าประเสริฐหรือไม่ประเสริฐมันเป็นความจริงอย่างนั้นอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับความประเสริฐหรือไม่ประเสริฐแต่คนที่ปฏิบัติตามหลักการแห่งอริยสัจเนี่ย แล้วเขาไปเห็นเนี่ยอันนี้น่ะเป็นเส้นทางเดินเรื่องความเห็นอันประเสริฐพอเข้าใจไหมเข้าใจมั้ยเข้าใจมั่ ง, มงไม่เข้าใจมั่งสัจธรรมคนไม่ได้เห็นง่ายๆใช่ไหมล่ะคนไม่ได้เห็นง่ายๆชาวบ้าน ไม่เห็นเลยพระโสดาบันเห็นสัจธรรมนั้นระดับหนึ่งพระสกัดหาคามีเห็นสัจธรรมนั้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งพระอนาคามีเห็นสัจธรรมนั้นขึ้นมาชัดอีกระดับหนึ่งพระอรหันต์เห็นสัจธรรมครบหมดทุกส่วนชาวบ้านไม่ต้องพูดถึงความไม่เที่ยงอ่ะสอนกันไปยังไงชาวบ้านก็ยังมองไม่เห็นแม้จะไปรับทราบการตายว่าคือความไม่เที่ยงของชีวิตก็ยังไม่ใช่การรับทราบสัจธรรมพระโสดาบัน เท่านั้นที่สามารถรับทราบสัจธรรมได้ในเบื้องต้นสัจธรรมมันมีเบื้องต้นด้วยนะั้นคือการเกิดการดับและเห็นลักษณะสามแต่ในลักษณะสามนั้นพระโสดาบันจะเห็นอนิจจลักษณะได้ชัดเห็นทุกขลักษณะไม่ชัดเห็นอนัตตลักษณะไม่ชัดในสัจธรรมทั้งสามนี้นะัในการเกิดการดับเนี่ยแต่จะเห็นอนิจจลักษณะชัด จึงทำลายส ก, กายยาิทิวิจิกริชาศิลปัตาปรามัดออกจากกิ จ, จกใจได้เพราะความเหตุที่ชัดเจนว่ามันไม่มีความเป็นความคงตัวเลยสักขนาดหนึ่งแห่งจิตแห่งแห่งแห่งความเป็นกลเนี่ยแห่งขันเนี่ยความคงตัวคงรูปมนันไม่มีมันไม่มีการคงรูปไอ้รูปที่มันคงอยู่มันคงอยู่ด้วยการเกิดการดับทีนี้เรามาจับ ก, การคงอยู่ที่เราเห็นในเนี้ยว่ายังคงรูปอยู่เนี่ย มันเห็นด้วยวิชฉาทิถีแต่เมื่อไปเห็นการเกิดการดับแล้วมันไม่เห็นความครงรูปเลยแม้สักขนาดหนึ่งเพราจะยังเขมินาทีกระดิกครั้งหนึ่งมันเกิดดับไปตั้งแต่สิบล้านครั้งแล้วมาหาความครงรูปไม่ได้เขาพาสวดาวันจึงไม่เห็นความครงรูปอยู่ในกายนี้อยู่ในขันนี้จึงทําลายความเห็นผิดทั้งมวลในสกฤติสิว่าเป็นตนเมื่อมีความครงรูปจะเอาอะไรเป็นตนเอาอะไรเ ป, เป็นสักขนาดหนึ่งก็ไม่มีไง มันแจ่มแจ้งมาแล้วแล้วพาพาคนนิพพานกระแสนิพพานรองรับจิตด้วยอย่างนี้แล้วก็รู้การปิดอาบายภูมิด้วยเห็นอันนี้จะลักษณะชัดสการาคามีเห็นอันนี้จละลักษณะชั ด, ราาานน ด, ชดพร้อมด้วยเห็นทุกขลักษณะบางๆงจึงทําลายการมราคปฏิฆาได้อย่างเบาบางพระอนาคามีเห็นอันนี้จละลักษณะชัดแล้วก็ทุกขลักษณะชัดเจนแจ่มแจ้ง แจ่มแจ้งแบบอนิจจ์เลยเห็นทุกขลักษณะเชัดเจนจึงสามารถทำลายการมาราคบปฏิกาได้ภาณาคามีนะเห็นทุกขลักษณะชัดเจนแจ่มแจ้งอันิจจ์ในด้านหนึ่งทุกขลักษณะด้านที่สองแต่อนาตตลักษณะเห็นยังไม่แจ่มแจ้งพระอรหันต์เห็นอนิจจลักษณะชัดเจนแจ่มแจ้งเห็นทุกขลักษณะชัดเจนแจ่มแจ้งเห็นอนาตตลักษณะชัดเจนแจ่มแจ้งจึงตัดสินลงไปในจิตอย่าง แน่ชัดลงไปอย่างเด็ดเดียวเลยว่าจิตไม่มีตัวไม่มีตนอนัตตาถูกทําลายไปหมดแล้วคือความเข้าไปเห็นและทําลายความเป็นตัวตนความเข้าไปเห็นนัอะไรเห็นการทําลายความเป็นตัวตนด้วยอนัตตลักษณะลักษณะที่ไม่มีตัวตนลักษณะที่เป็นอนัตตาจึงสามารถทําลายตัวตนของจิตทั้งมวลในจิตได้ จึงเกิดสุญญตาหลองรับความบางปางทั้งหมดในจิตเป็นอย่างนี้นะลำดับบุตรชนนี่แม้จะสอนเรื่องอนิจจังทุกขังนาตาไม่ได้เห็นนะได้แค่คิดตามแต่ยังไม่เห็นคิดตามไปก่อนไงคิดไปด้วยอ๋อไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นอันตาอย่างนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นผู้ข์อย่างนี้เป็นนันตายิ่งไม่เที่ยงอย่างนี้คิดอยู่นั่นนะคิดคิดคิดคิดคิดมากเข้าเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับพร้อมกับเพ่งดูลักษณะสาม เนี่ยคือการเห็นอริยสัจคือการใช้อริยสัจอริยสัจเนี่ยคือคือการเข้าไปรู้ไปเห็นแต่สิ่งที่เห็นคือสัจธรรมแยกออกไหมอันนี้จันทุกขังตาคือสัจธรรมแต่การเข้าคิดเข้าไปรู้เข้าไปเห็นอย่างเงี้ยตั้งความเห็นให้ถูกตั้งความเห็นให้ตรงกับสัจจ์นะคืออริยสัจเป็นความเห็นอันเริดอริยสัจเป็นเรื่องของความเห็นแต่สัจธรรม เป็นตัวของมันเป็นตัวสิ่งที่เข้าไปเห็นผู้เห็นกับสิ่งที่เห็นนะขนลอย่างเข้าใจไหมโอ้พูดเรื่องละเอียดคพอเกินไปไม่ใคยจะรู้เรื่องกันเท่าไหรหรอก <c oughs> เอาเอ า, เอาเรื่อง ย, ยาวๆนี่แหละเรื่องพอที่จะคุยกันรู้เรื่องนี่นะเอาภาษาทั่วๆไปเนี่ยภาษาอริยสัจภาษาธรรมะนี่มันสําหรับคนที่ปฏิบัติภาวนาเอาแบบเนี่พันพอเยตไไปได้เนี่นะ เอายังไงดีก็คิดไปก่อนนะคิดไปก่อนเรื่องควอมไม่เที่ยงก็คิดปคิดไปคิดไปอาจารย์อธิบายดีัชวต้นได้เข้าใจไหมล่ะเข้าใจวอาจารย์ที่ชวต้นายโอเคนะขใจแต่เดี๋ยวมันก็คุมอีกคุมคิดไปอีกนะอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นทิ้งมันไปเลยไอ้คุมไม่คุมเคี้งมันไป ให้เราทําความเข้าใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําความเข้าใจไปเรื่อยๆทําความเข้าใจจับความเข้าใจนี้ให้เป็นความเข้าใจต่อเนื่องต่อเนื่องเมื่อมีความเข้าใจต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไอตัวคุมมันจะคลายคลายคลายคลายคลายคลายคลายคลายไปไม่ตองไปสนไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปวิตกกับมันไม่ต้องไปใส่ใจกับมันทําความเข้าใจรักษาความเข้าใจยึดอาการแห่งความเข้าใจนี้แนบไว้กับจิตให้มันต่อเนื่องไปเหมือนกับ มีไฟฉายนะถือไว้อย่าให้มันหลุดมือสองทางเดินไปเรื่อยสองทางเดินไปเรื่อยสองทางเดินไปเรื่อยนะไฟฉายก็ส่องไปยอย่าให้มันหลุดมือถ้าหลุดมือก็คุมหนึ่งความมือทุวปกคุมอีกหรือเผลอไปปิดสวิตช์มันก็ควมือทุกปกคุมอีกพอจะหาอีกทีก็คําหาแนละ้วกูเอาไว้ไหนว่าไปฉายใช่ไหมล่ะ จะฟังซ้ําๆก็อย่าเพิ่งไปซิก็อยู่นี่ก่อนจะได้ซ้ําๆๆกันอยู่นี่ได้ไหมล่ะตอกกระปูจะได้ตอกโพะโพะโพะให้มันลงเนื้อไมวตอกโพทีนึงไปแล้วลับมาอีกมาให้ตอกอีกทีนึงกับโพกับไปอีกทีเนี่แล้วก็โยกคอนอีกแล้วจะหลุดอีกแล้วมาตอกอีกทีหนึ่งค่อยลงไปในเนื้อไม้หน่อยนึงเออโพอยู่นี่ให้ตอกทุกวันทุกวันทุกวัน จมปึ่งแน่นปั้งนะครับไปไหนก็ไปแบนี้มันแน่นอยู่ในจิตแล้วมีใครถามอีก่ไหม น, นอหมดแล้วอาจารย์เมื่อวานนี้เป็นพิจิตรเนาะก็เลยมีโอกาสเป็นพี่เล็กกับน้องโยมก็ได้คุยกับพี่พี่น้องน้องที่เข า, าก็เข้าใจควาเห็น ก็ได้มีกาสพูดเขาอะไรที่พี่เขากรเสิร์ไงว่าทีนั้นรัตนใจพี่ร่วงไแต่พี่เขาดีนะเขาฟังเขาไม่หมือพี่สาวเราพี่สาวเขาปิดประตูนินทาพี่เหรอคนเขาไม่เข้าใจพระรัตนใจจะจะบอกว่าไม่เข้าใจก็ไม่ได้คือเขาถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นเมื่อเขาถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นแล้ว แล้วไม่ยอมเรียนประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาว่าพระรัตนไตยที่คนก่อนยึดเขายึดถือมาเขาไม่ได้ยึดผ่านลูกขอลบ เ, เขายึดเขายึดพระรัตนตยผ่านทางใจผ่านการระลึกทางใจเขาไม่ได้ยึดผ่านลูลกขารบลูลกขอรพเป็นพระรันตนไตยไม่ได้เพราะการที่เขายึดการยึดการยึดวัตถุคือทางลูลกขารบให้เขาไปถึงรัตนไตัยทางธรรมชาติเนี่ยมันมันลูลกขารบไม่สามารถสื่อ สื่อความหมายของความเป็นพุทธะในทางธรรมชาติได้ดูเคารพสื่อไปไม่ได้แต่คําว่าพุทธะสามารถสื่อถึงคือภาษาหรืออักษรเนี่ยสามารถสื่อถึงพุทธะในทางธรรมชาติพุทธะนั้นไม่ใช่พุทธเจ้านะไม่ใช่พรุทธเจ้านั้นความรู้ที่พระองค์ไปรู้คือพุทธคือความรู้หรือพุทธะเนี่ยมันมีก่อนแล้วก่อนมีพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าเขาไปรู้ความรู้นั้นเขาไปทราบความรู้นั้น เกิดความรู้ตื่นเหมือนบานขึ้นความรู้ของพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธะสิ่งที่องค์นํามาสอนเนี่ยเรียกว่าธรรมะผู้ปฏิพัติตามหลักคาสอนคือสังฆะพระติษฐ์ใอยู่ตรงนี้เห็น ไ, ไหมสิ่งที่พระองค์ไปรู้นะั่นน่ะพระองค์ไปรู้อะไรอันนั้นแหะคือพุทธะเพราะไปรู้แล้วจะเกิดความตื่นเบิกบานขึ้นนะการที่พระองค์ไปรู้ได้จึงได้นื้ว่ า, าพุทธะขึ้นตามความรู้ที่รู้มาเพราะธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติรู้ ธรรมชาติแห่งการรู้แล้วตื่นเบิกบานขึ้นในจิตพระองค์จิตในนาว่าพุท ธ, ธแล้วพระองค์เอาความรู้ที่พงศ์ไปรู้นั้นมาสอนมาถ่ายทอดมาบอกความรู้นั้นที่ว่าธรรมะ ผ, ผู้ฟังคําสอนแล้วประพฤติปฏิบัติตามชื่อว่าสังฆเนี่ยแล้วเราเจะไปอยู่ในรูปเคารพได้ยังไงเอาไปอยู่ในรูปเคารพไม่ได้ความรู้ของพระเจ้าไปอยู่ในรูปเคารพไม่ได้สิ่งที่พงศ์ทรงรู้มันมีอยู่ในหัธรรมชาติอยู่แล้วความรู้เนี่ย มีอยู่ในหักธรรมชาติอยู่แล้วแล้วสิ่งที่พรงสอนเอาไปไว้ในรูปครพ ก, ก, ก็ไม่ได้แล้วจิมเศษกันอยู่ในรูปเคารพก็ไม่ได้แล้วการประพฤติปฏิบัติตา ม, มคําสอนจะเอาไปไว้ในไหนอะ่ะก็ไว้ในตัวเราทั้งหมดใช่ไหมล่ะเอาอยู่ในตัวเราเพราเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามก็คือเป็นสมเป็นสารณังเป็นสารณะหากเราประพฤติปฏิบัติตามเราก็เกิดสารณะแล้วหากเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามเราก็ไม่มีสารณะเลยแต่ในระดับของคนที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เพียงแค่ระลึกถึงสารณะนี้ก็ยังชื่อว่าเป็นสารณะอยู่สารณะทางด้านการระลึกสารณะทางด้านการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งสารณะการทางด้านการระลึกอีกแบบหนึ่งเพราะพระเจ้าบอกว่าการระลึกก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งนั่นหมายถึงว่าแม้เราจะไม่สามารถก้าวเข้ามาถึงในขั้นของศีลธรรมชั้นสูงหรือชั้นเบื้องต้นแต่เรามีอาการให้ทานและยึดการระลึกในพุทธะนาฏายเป็นผู้เลื่อมใสในพุทธะนาฏายไม่เลื่อมใสศาสนาอื่นไม่เลื่อมใสอย่างอื่น ไม่เลื่อมใสวัตถุอื่นไม่ยกวัตถุอื่นมาเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกระลึกถึงแต่ความรู้ของพระเจ้าสศีลพวงทรงสอนแล้วก็ผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนระลึกอยู่อย่างเนี้นั้นคือการยึดมีสารณะมีพระราตนาตยัยมีการยึด ม, มีความยึดถือในใจนมันก็สําเร็จประโยชน์แล้วมันเมื่อมันสําเร็จประโยชน์อย่างนี้แล้วเราจะไม่มีลูกเคารพไว้ทําไมเราจะมีผ้าห้อยคอไว้ทําไม เราบอกว่าพุทธะคือพระพุทธเจ้าเราจึงจะต้องปั้นรูปของพระองค์ไว้เป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นตัวแทนแสดงว่าพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพุทธะก็หมดไปสิถ้าพุทธะคือพระพุทธเจ้าคือตัวของพระพุทธองค์ถ้าพระองค์ปรินิพพานพุทธะก็ต้องดับไปสิพุทธะต้องไม่มีสิเมื่อพุทธะไม่มีธรรมะก็ต้องหายไปด้วยสิเมื่อธรรมะหายสังฆะก็ต้องหมดไปด้วยจากโลกนี้ สามอย่างนี้เกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกนะเกี่ยวโยงกันเพราะนั้นพุทธะไม่ใช่ตัวพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าเป็นผู้เข้าไปรู้พุทธะนี้รู้ผ่านอริยสัจสีนะใชใช้อริยสัจีแล้วเข้าไปรู้<ม>เกิดธ<ม>าตุแห่งความรู้ขึ้นประสานกับดวงจิตของพระ อ, องค์และธาตุแห่งความรู้นี้จะสามารถประสานกับดวงจิตได้ต้องรู้อริยสัจสีจึง เกิดธาตุแห่งความรู้ประสานกับจิตแล้วเกิดเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาได้ธาตุรู้มีอยู่แล้วถ้าไม่มีอยู่ไม่สามารถเจอได้หรอกไม่สามารถบรรลุถึงสัมมาสัมโพ ธ, ธิญาณได้ถ้าไม่มีธาตุรู้อยู่แล้วธาตุรู้มีอยู่แล้วในหลักธรรมชาติสัจจามีอยู่แล้วในหลักธรรมชาติสัจธรรมแล้วการประพฤติปฏิบัติในหลักสัจจ์ตามหลักสัจจ์เชื่อมโยงกับสัจจ์หรือสอดคล้องกับหลักสัจจ์ก็ปรากฏขึ้นหลังจากที่พุทธะนั้น มาบอกมาสอนหากให้มีพุทธะมาบอกมาสอนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสัจจ์เชื่อมโยงไปเข้าไปตามหลักสัจจ์ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสังขาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยหลักคําสอนหลักคําสอนที่จะนํามาใส่ทอดเราได้ก็ต้องเกิดจากพุทธะคือมีผู้เข้าไปรู้แต่ไปรู้ในสิ่งที่ธาตุรู้นะั่นที่มีอยู่โดยหลักธรรมชาตินะั่นมีทำไมยังไม่มีธาตุรู้นั่นมีแต่ธาตุรู้นั้น ไม่ได้เป็นผู้แสดงอาการแห่งความรู้ว่านะแต่ใครก็ตั้งเข้าไปถึงธาตุรู้นี้จะเกิดความรู้รองรับกิจแล้วไม่เสื่อมความรู้นั้นจะไม่มีทางเสื่อมคลายจะไม่ทางหายไปความรู้นั้นจะยังคงอยู่จนกว่าจะดับแล้วความรู้นั้นไม่ใช่พันิพัณฑ์ยังเป็นสังฆตธาตุอยู่ไม่ใช่พันิพัณฑ์พันิพัณฑ์ดับรู้เลยเพราะยังพอถึงพานปั๊บความรู้ดับหมดเลย ว่มไม่รู้จะเอาไปรู้อะไรนิพพานไม่ต้องไปรู้อะไรอีกไม่จําเป็นจะต้องไปรู้อะไรแต่ในาคาที่ยังมีชีวิตอยู่ยังต้องรู้พุทธะเนี่ยสาคัญที่สุดเลยยังต้องใช้ความรู้อยู่ต้องใช้ธานรู้นี่อยู่เหมือนกับเราอาศัยกายต้องใช้ธาตุสี่ใช่ไหมเราตายไปธาตุสี่หายไปไหนไม่ได้หายยังมีเพียงแต่ไม่ได้ประกอบการรวมตัวกันเข้าพยาแยกเออแต่ตอนนี้มีชีวิตอยู่เราใช้มันอยู่ใช้ธาตุสี่อยู่ ต้องใช้ธาตุสีในการทําการพูดการคิดต่างๆนาๆนาต้องใช้จะไม่หล่ะกินอาหารก็เลี้ยงก็เลี้ยงธาตุสีไว้พระอริยเจ้าที่เข้าถึงธานรู้ยังต้องใช้ธาตุรู้เนี่ยจนถึงปณิพานคือปณิพานรอบรู้แล้วธาตุรู้ก็หมดไปด้วยไม่ต้องใช้มัอนอีกทีนี้การที่เราจะเข้าถึงธานรู้ได้เราต้องปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปถึง แต่เมื่อเราปฏิบัติยังเข้าไปไม่ถึงผู้เจ้าของใครราลึกถึงพุทธะบุทธทงสารนังกัตชามีข้าพเจ้าเข้าถึงโดยการระลึกเข้าถึงพุทธะโดยการระลึกไม่ใช่นึกถึงตัวพุทธองค์นึกถึงธาตุรู้มันมีธาตุรู้อยู่พุทธธาตุแปลว่าธาตุรู้ทารธาตุธาตุแห่งความจริงสุขธาตุธาตุแห่งการแห่งความดีธาตุแห่งพลังแห่งความดีความดีมีอยู่พลังแห่งความดีหรือธาตุแห่งความดีมีอยู่ ธาทแห่งความดีหากเกิดในจิตไครผู้ใดจิตดวงนั้นจะเป็นจิตแห่งความดีรองรับความดีมีแต่ไม่มีใครทํามันเกิดเป็นตัวธาตแห่งความดีในตัวเองไม่ได้เมื่อเราทําเข้าไปพุกธาตแห่งความดีก็จะสถิตรหรือว่าถูกบรรจุไว้ใ น, ในใจิตใจใจเราธาตแห่งความดีเข้าใอย่างถ้าเรารู้ใ น, นอริยสัจส่อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเป็นเชื่อมโยงกับธาต พ, พุทธธาต เข้ามากับจิตใจเราตั้งอยู่ในจิตในใจเราอย่างเงี้ยง่ายๆนะเปรียบเทียบให้ฟังแต่ไม่รู้จะง่ายไหมแต่ทั้งหมดที่พูดถึงนี่คือสังขารธาตุ ท, ทั้งหมดพรอจริงๆ้วที่พขาพุดเขาทำกระส่ ง, ม, งมันไม่จําเป็นจะต้องเอามาทำรูปเขารบให้คอจอิงๆเพราะพขาพูดเนี่ยจริงๆแล้วทุกที่ถึงนี่เวลา ชาวพุทธคัมภูธการเขาจึงไม่มีอะไรห้อยคอไงเขามีแต่การระลึกในใจทางใจอยู่ภายในเขาไม่มีหลอกพระละกันนาไตแบบห้อยคอจนมาถึงยุคของเจ้าอโสมก็ไม่มีอะไรห้อยคอแต่หลังจากพศแปดร้อยมาอะไรในรู้ห้อยคอเต็มไปหมดเลยที่ว่าอะไรกี่ข้ามาคอใช่หรือข้าวตั้นใช่รูปเล็กรูปน้อยห้อยคอกันเต้ไป่หมด นี่คือความงมงายอย่างหนึง่งแต่เขาไม่ยอมรับเพราะเป็นความงมงายโอ้ไม่ว่ากันเพราะถูกปูฝังมาอย่างนั้นอะไรก็ตามที่ถูกปูฝังคือฝังไว้ไงเห็นไหมเขาฝังธาตุแห่งความงมงายไว้ในจิตกลายเป็นธาตุแห่งอวิชชาในจิตเลยธาตุแห่งความไม่รู้ธาตุแห่งโมหะมุนหะธาตุแปลว่าแปลว่าความหลงมุนหะหรือเปล่าไม่แน่ใจคือโมหะนั่นแหละมุนหะอุเป็นโอ มุนหะธาตุแปลว่าธาตุแห่งความหลงธาตุแห่งความหลงก็มีนะคนที่บรรลุธาตุแห่งความหลงมีคือหลงมองไงหมดเลยแต่พระเจ้าสอนให้เราบรรลุไปถึงธาตุแห่งความรู้ไม่ให้หลงไงมันคือธาตุเขาจะยังนี่คือธาตุนะธาตุกายนี่คือธาตุทั้งหมดจิตก็คือธาตุแต่ไม่ใช่ธาตุตัวจิตไม่ใช่ตัวธาตุแต่จิตประกอบมาจากธาตุคือเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุ ประกอบให้มีจิตธาตุดินน้ำไฟลมประกอบให้มีกายเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาธาตุประกอบให้มีจิตเอาจิตเนี่ยฝึกตัวเองเข้าไปพัฒนาตัวเองเข้าไปให้ได้เจอกับธาตุรู้ธาตุรู้ก็จะเชื่อมโยงกับจิตก็เป็นจิตที่มีธาตุรู้รองรับแต่จิตถ้าไปเชื่อมโยงกับความหลงกับธาตุหลงรองรับก็ทําอะไรก็ด้วยความหลงไงหลงมาจากจิตก่อนแล้ว ก, กายก็หลงไปตามอย่างเงี้ย เพราะฉะนัสบองค์ทรงสอนทั้งหมดสอนเพื่อให้จิตของเราเดินเข้าไปถึงจุดแห่งธาตรู้ให้เกิดความรู้รู้ตามอาริยสัจรู้ตามความจริงพระอาจารย์มันก็จะมีคนค้านอยู่เรื่อยตรงที่ว่าก็ค้านเขาก็ปูฝังมาอย่างนั้นถ้าลองเอาเอาทีนี้ลองแกะเปลือกที่เขาปูฝังในจิตออกมาให้หมดแกะออกไปทุกเรื่องเลยนะ แกออกไปตั้งแต่เ้าสอนกอไก่ขอไข่ามาว่าไม่ใช่กอไก่ขอไข่แกะออกไปเลยอังภาษาอังกฤ ษ, ษ a b c d แกะออกไปให้หมดแกะแกะสิ่งที่ถูกสอนมาว่าให้เป็นคนดีคนไม่ดีอะไรพวกนี้แกะออกไปให้หมดแกะนิสัยต่าง ๆ, ๆออกไปให้หมดออกจากตัวเราออกไปให้หมดแกะออกไปทั้งขนดธรรมเนียมประเพณีค่านิยมแกะออกไปให้หมดแกออกจากตัวเราให้หมดโดยที่ไม่มีอะไรมาครอบงาหรือไม่มีอะไรมาเป็นเป็นเครื่องอะไรเขาเรียกว่าทําให้จิต ทำให้จิตของเราเป็นไปตามอาการที่เขาบอกมาเรื่องที่เขาค้านนะี่คือเรื่องที่เขาบอกมาใส่หัวเรามาบอกเรามาสอนเรามาปลูกฝังเรามาฝังซันดานเรามาล้างล้างอะไรเรามาทั้งหมดเลยใช่ไหมพอใจยังลองแกะคนที่ออกประหดแกะศีลห้าออกไปทั้งหมดศีลธรรมทั้งหมดแกะออกไปไม่ให้มีมันเหลืออะไรตัวเราที่แท้จริงเหลืออะไรว่าดินน้ําไฟลมใช่ไหมล่ะไม่มีไม่ ม, ม, มีดินมีอะไร ดินเนี่ยมีความดีความชั่วไหมน้ํามีความดีความชั่วไหมไฟมีความดีความชั่วไหมลมมีความดีความชั่วไหมเวทนาที่นี่เป็นเรื่องของจิตและนามาทําสุขกับเวทนาเป็นความดีหรือความชั่วไม่มีเราไปดีดีใจกับสุขเองเข้าใจไหมเราไปยึดสุขเองว่าเป็นความดีทุกขเวทนาเป็นความดีหรือความชั่วมันไม่มีดีมีชั่วแต่เราไปยึดเองว่าทุกขเวทนามันไม่ดี เราใช้ความอยากของเรากระทำารไปกําหนดทุกขเวทนามก็มีข้ามันอยู่อย่างนั้นจะชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามมันมีเพราะมันอ่ะพยายัางไม่เกี่ยวอ่ะจะใช้ความอยากแบบไหนเข้าไปยึดมันจะเกิดอ่ะเวทนาอย่าไปยุ่งอะไรใช่ไหมละ่ะกายจะป่วยสัอย่างจิตจะเป็นอะไรก็ตามตามอาการของเวทนาเพราะเวทนาประกอบจิตนี่ใช่ไหมละ่ะเอาทุกขมั่สุขเวทนามีดีมีชั่วไหมละ่ะ ไม่มีมันก็แค่สแสดงอาการของความไม่สุขไม่ทุกข์ตามภาวะของมันไม่มีใครห้ามมันได้มีใครไปห้ามเวทนาสามไม่ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองได้ไหมไม่ได้มันมีของมันอย่างนั้นมันไม่ใช่ดีไฟ ช, ชั่วใช่ไหมเขราะยังยังแกความอยากความรู้สึกของเราออกไปให้หมดปล่อยให้เวทนาเป็นเวทนาตามอาการของมันทั้งสามไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปปรับสัญญาความจําเป็นความดีหรือความชั่ว มันไม่ใช่ทั้งดีทั้งชั่วมันเป็นแค่อาการแห่งการจําของมันสังขารความคิดเป็นความดีหรือความชั่วแต่ทําไมไปนั่งสมาธิกําจัดความคิดกันดีเหลือเกินไม่อยากให้จิตคิดมันไม่ใช่ความเร็วซามเลยไอ้สัญญาขันไอ้สังขารขันความคิดนี่มันก็เป็นแค่ความคิดวิญญาณขันการรับรู้เป็นความดีหรือความชั่วมันไม่มีอะไรธรรมชาติเป็นกลางๆของมัน เข้าใจยังมันเป็นกลางๆของมันทีนี้เราถูกปลูกฝังมาที่นี่ขนมทำเนียมประเพณีสอนให้ทำอย่างนั้นสอนให้ทําอย่างนี้สิ่งละทําอะไรเข้ามาปรุงแต่งมาหมดเลยตัวเราเลยถูกปรุงแต่งขึ้นคิดอะไรก็ตามปุ๊บเราจะนึกถึงเราจะนึกถึงกดเกณฑ์ทางสังคมขึ้นมาเขาจะว่ายังไงว้าใช่ไหมอิทธิพลทางสังคมขอมงำแน่ งั้นเราก็ไม่สามารถทําความดีได้เลยหากสังคมกําหนดไว้ว่าสิ่งเหล่านี้คือความเดียวซ้ำแต่ในหลักศาสนาความจริงมีสอนว่านี่คือความดีแต่สังคมกําหนดว่าความดีเนี่ยเป็นความเดียวซ้ำเราจะสามารถทําดีได้ไหมเห็นไหมล่ะ <IT> เราเราเกิดอะไรขึ้นล่ะตอนเนี้เราไม่มีสารภาพในการทําความดีต่างๆเลยเราต้องทําไปตามสังคมที่เขากําหนดแล้วสังคมนั้นอะ่ะ <IT> <IT> เขาพาเราคนทุกไหม <IT> <IT> หรือพระเจ้าพาเราคนทุก แล้วทำไมเราบอกว่าสังคมเขาไม่เอาอะไปพูดทำไมก็ เ, <อ>เราจะเอาตัวเราคนทุกเ้าทาพเจ้าสินนเนอะเข้าใจยังเน<อ>ี่นมาถึงประเด็นนี้ได้ยังไงประเด็นที่พูดก็ได้มีเรื่องนึ่งก็คือว่าสมมติว่าคนที่ค้อให้พระเพราะในความคิดก็คือพระเนี่ยมันก็ถืเปนลักสูี่พิเศนะว่า ผู้อืไม่จับกั้นเลยอาจารยกั้นจิตก็ไม่รู้แล้วอันนั้นจิตเข า, าได้แหละกั้นเขาเอง oh. จิตเขาได้แหละเขาถูกกลางกั้นไว้แล้วคือเขาทําตามสิ่งที่คนอื่นเขาปลูกฝังมาแต่เขาไม่ได้ทําอะไรด้วยเป็นความจริงของตัวเองเลยเขาไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยเขาคิดแต่ว่าคนนั้นบอกมาบรรพโยรุดพาทํามาสังคมกำหนดมาขนม ท, ทําอย่างปฏิญีบ้ามาอันนั้นเขาตีกรอบมามก็ตา ม, มก็นั่นแหละมัน เมื่อจิตเขาเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีอะไรมากลางกั้นครอบงาและไม่มีอิทธิพล ต, ต่อจิตตัอใจเขามันก็เปิดไงวัตถุลูกก็เพียงเพียงแค่สาสารนี่ยเนือเป็นธาตุย่ีงวใช่ไหมไม่มีดีไม่มีชั่วแต่พอถูกให้เราเข้าไปคือเขากำหนดด้วยวิธีการปลุกเสกแล้วกำหนดให้เราเชื่อมัน่นในสิ่งที่ปลกเสกขึ้นมานั้ น, นว่ามีอิทธิอิทธิฤทธิมีอนุภาพมีพลัง มีการอํานวยผลในด้านนั้นด้านนี้ขึ้นมาเราโน้มใจโน้มใจเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อปุ๊บพอเอาไปใช้แล้วมันตรงกับเหตุปัจจัยอํานวยผลให้กับเราคือประจวบกับเหตุปัจจัยอันวยผลให้กับเราโอโหของนี้ดีจริงๆไว้เชื่อมั่นอย่างเต็มใจแนบอยู่กับใจฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกและศรัทธานั้นไม่เสื่อมหายและศรัทธานั้นเป็นการศรัทธาพร้อมกับความหลมที่ฝังแน่นโมหะที่ฝังแน่นมิจฉาทิฐิที่ฝังแน่น และเส้นทางไปแห่งกิตที่เป็นวิฉาทิฏฐิเป็นอบายภูมิอย่างฝังแน่นเหมือนกันจริงๆไปดูหลักคําสอนที่มีที่ไหนหรอให้ปลูกเสกอะไรขึ้นมาแล้วยึดถืออย่างนั้นมีที่ไหนหใช่ไหมล่ะนี่พูดตามหลักคําสอนนะไม่ได้พูดตามสังคมนะไม่ได้พูดตามพระพระเกจิพระอาจารย์ใดๆที่เขาทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเสกในด้านพุทธคุณหรือปลูกเสกในด้านไหนก็ตามไม่มีทางที่ ผูริจจะสอนอย่างนั้นบรรดาเกจิทั้งหลายที่ทํากันอยู่นี่เนี่ยพลาดทิงไปอีกแล้วเก้ากับผมไม่ถือตามตามเกจิอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นขอค้อนขอแย้งตรงนี้ไม่ขอทําตามชาติพันธ์ก็คือจุดประเด็นก็คือว่ายากในเวลาจะเข้าอยู่ในบ้านที่เราอยู่เขาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่า ใช่จิตของคนที่ยึดถืออันนั้นกําหนดไว้แล้วล ว, ว่าของกูดีกูของกูขังของกูศัก ด, ดิ์สิทธิ์เอ้าก็ตัวเองกําหนดไว้แล้วว่าไม่ให้ผีปีศาจต้นใดเข้าไปญาติที่ตายไปก็อยู่กําเนิดผีก็อยู่ในกํารวงของความเป็นผีนะั้นอย่าว่าแต่ผีเลยเทวดาก็อยู่ไม่ได้หากคนสั่งบอกว่าไม่ให้เทวดาอยู่ไม่ต้องมีของปลุกเสกใดๆเลยนะ แค่บอกว่าเทวดาตนใดสถิตบ้านเราแล้วทําสิ่งที่ไม่ดีในบ้านเราเราไล่ออกเทวดาก็ออกไม่ต้องไปปลุกเสกไม่ต้องเอาของขังมาขับไล่เทวดาที่มีดีหรือผีที่มีดีก็ตามเราประกาศขับไล่ในเวลานั้นมันก็อยู่ไม่ได้พราะเรามีสิทธิ์บางคนบอกว่าเอาแล้วคนที่ถูกผีสิงไล่อย่งไรก็ไม่ออกละ่ะ น, นั้นคือวิบากกรรมเป็นวิบากกรรมที่จะต้องยอมกันอย่างนั้น ไล่ไม่ออกก็คือกรรมมันยังควบคุมไปอยู oh ่อันนั้นอีกกรณีหนึ่งอันนั้นอ่ะก็แก้กันไปตามเหตุปัจจัยพูดตรงๆอย่างนี้แล้วเนาะให้ชมอยู่อะไรที่พูดออกไปแล้วเป็นภาษาคำพูดที่ไม่เรียบร้อยก็ขออภัยสำหรับคนที่ชมอยู่ไม่ได้พูดเพื่อประมาทใคร แต่พูดให้เกิดความเห็นที่ถูกเกิดปัญญาที่ถูกเกิดความเข้าใจที่ถูกอาละพูดมาถึงตอนนี้แล้วก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้พอใช้เวลาในการอธิบายทำสุ น, านาทรธรรมกันในเชาน้านี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกคนทุกคน